การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการเดินทางไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆสวรรค์ชั้นเทพชั้นต่างๆสวรรค์ชั้นพรมชั้นต่างๆสวรรค์ชั้นพระอริยบุคคลชั้นต่างๆ จนไปถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดก็คือพระนิพพานเกิดจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือการทำทานการรักษาศีลและการบำเพ็ญจิตตะภาวนาเป็น เหตุที่จะพาให้จิตใจของผู้ปฏิบัติได้ไปถึงสวรรค์ชั้นต่างๆได้ถ้าทำทานแล้วก็รักษาศีลห้าได้ก็จะได้ไปสู่สวรรค์ชั้นเทพชั้นต่างๆขึ้นอยู่ว่าทำมากทำน้อย รักษาศีลห้าได้มากได้น้อยก็จะได้สวรรค์ที่สูงขึ้นไปตามลำดับเป็นระดับชั้นเทพถ้าบำเพ็ญจิตตภาวนาคือสมถภาวนาได้รักษาศีลแปดได้ก็จะได้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมชั้นต่างๆ แล้วถ้าบำเพ็ญวิปัสสนาภาวนาได้คือนอกจากจะรักษาศีลแปดได้แล้วจะเลิญสมถะภาวนาได้แล้วแล้วก็จะเลิญวิปัสสนาภาวนาได้ด้วยก็จะได้ขึ้นไปสู่สวรรค์ของพระอริยเจ้าที่มีอยู่สี่ชั้นด้วยกัน คืชั้นพระโสดาบันชันพระสกิดาคามีชั้นพระอนาคามีและชั้นพระอาหารหันต์ถ้าได้ไปถึงชั้นพระอาหารหันต์ก็จะได้พระนิพพานได้เป็นได้สวรรค์ชั้นสูงสุดได้สวรรค์ที่ไม่ต้องกลับมา เกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปถ้าได้เพียงขั้นพระอนาคามีก็ยังต้องเกิดเป็นเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมจนกว่าจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ถึงจะไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปถ้าได้ชั้นสกิดาคามีก็ยังจะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ อีกอย่างน้อยก็หนึ่งครั้งถ้าได้ชั้นพระโสดาบันก็จะยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาบาเพ็ญต่อยไม่เกินเจ็ดครั้งด้วยกันไม่เกินเจ็ดชาติก็จะสามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้ถ้าบาเพ็ญได้แค่ชั้นสวรรค์ชั้นพรหม เมื่อบุญที่ได้บำเพ็ญหมดไปก็จะต้องเสื่อมลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพแล้วก็ลงมาสู่การมาเป็นมนุษย์ใหม่อีกครั้งหนึ่งถ้าได้สวรรค์ชั้นเทพพอบุญที่ได้จากสวรรค์ชั้นเทพหมดไปก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาบำเพ็ญทานศีล ภาวนาใหม่ในแต่ละภพแต่ละชาติถ้าไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเวลากลับมาเกิดใหม่ก็อาจจะไม่ได้บาเพ็ญทานศีลภาวนาก็ได้เพราะถ้าไม่มีใครสอนไม่มีใครชวนโอกาสที่จะไปทำบาปทำกรรมแทน ก็ยังเป็นไปได้ผู้ที่จะไม่ไปทำบาปได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในระดับของพระโสดาบันเท่านั้นถ้าได้อยู่ในระดับชั้นโสดาบันแล้วถึงแม้จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์และไม่มีพระพุทธศาสนามาคอยชวนให้ทาทานรักษาศีลภาวนา ใจของพระโสดาบันก็จะไม่ชอบทำบาปจะชอบทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาเพราะได้เห็นด้วยปัญญาว่าเป็นทางเดียวทั้งนั้นที่จะนำพาไปสู่พระนิพพานได้นำพาไปสู่การดับของความทุกข์ต่างๆได้ นี่คือเรื่องของการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไปสูงหรือจะไปเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับการบำเพ็ญของเราถ้าเราบำเพ็ญเพียรมากปฏิบัติมากทำทานมากรักษาศีลมากภาวนามาก โอกาสที่เราจะปฏิบัติไปจนถึงพระนิพพานในชาตินี้ก็มีเป็นไปได้มากพระพุทธเจ้าส่งพยากรณ์ไว้เลยว่าถ้าผู้ใดาสามารถปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสรงสั่งสอนให้ปฏิบัติได้จะสามารถบรรลุ ถ, ถึงพระนิพพานได้ภายในเจ็ดวันก็ได้สาหรับบางท่าน สำหรับบางท่านก็ภายในเจดเดือนและสำหรับบางท่านก็ภายในเจดปีนี่คือคําพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วก็ตามแต่คําพยากรณ์นี้ก็ยังเหมือนเดิมอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะเป็น อากาลิโกพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นอากาลิโกเป็นความจริงทุกยุคทุกสมัยเป็นความจริงในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระชนชีพอยู่อย่างไรก็จะเป็นความจริงอย่างนั้นในทุกยุคทุกสมัยไม่ได้ขึ้นกับการกับเวลาถ้า ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติคือทำทานรักษาศีลภาวนาผลก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็มีผู้ที่รับประกันหรือยืนยันคำพูดของพระพุทธเจ้าอยู่ในทุกยุคทุกสมัยก็คือผู้ที่ได้ ปบัติจนบรรลุเป็นพระอาหารหันต์บรรลุถึงพระนิพพานกันท่านก็จะเป็นผู้ที่มาประกาศพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแทนพระพุทธเจ้าและมายืนยันว่าคําพูดของพระพุทธเจ้านี้เป็นสวาขาโตภะวตาธโมเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้ว คำว่าชอบแล้วก็คือถูกต้องแม่นยำเป็นไปตามความเป็นจริงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะได้มรรคผลนิพพานภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีอย่างแน่นอนดังนั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ตาม ก็เหมือนกับได้พบกั บ, บก็เหมือนกับได้พบกับพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ตอนก่อนที่จะจากพวกเราไปว่าธรรมวินัยที่ตถาคตได้ตัดไว้ชอบแล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปธรรมวินัยก็คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้กับ คาราวาดญาติโยมและพระภิกษุสมมเณรพระภิกษุนี้อุบาสกอุบาสิกาให้นำเอาไปปฏิบัติกันถ้าได้ศึกษาพระธรรมคำสอนก็เหมือนกับได้ฟังจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าโดยตรงเพราะว่าถ้าพระพุทธเจ้าทรงมีพระชนชีพอยู่ ในปัจจุบันนี้ก็จะทรงตัดสอนคำสอนที่อยู่ในที่จารึกไวในพระไตรปิฎกนี้เองไม่ทรงสอนอย่างอื่นอย่างแน่นอนเพราะว่าทางนี้เป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะนำพาสัตว์โลกให้หลุดพน้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วก็ไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้า องใหม่มาตัสรู้และมาประกาศสอนพระธรรมคําสอนให้แก่สัตว์โลกกี่พระองค์ก็ตามก็จะทรงสอนเหมือนกันหมดสอนให้ทําทานสอนให้รักษาศรรีลสอนให้ภาวนากันดังนั้นเราไม่ต้องมาเสียเวลานั่งรอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ที่จะมา ตัดสู้ในอนาคตที่อันยาวไกลกว่าท่านจะกลับมาก่าจะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตัดสู้และมาประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่ศาสต ร, ร์โลกก็จะเป็นเวลาอันยาวนานเป็นกลับเป็นกันด้วยกันถ้าเรารอเราก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่รู้กี่แสนกี่ล้านชาติด้วยกันกว่าจะได้พบกับ พระพุทธเจ้าองค์ใหม่และได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์ใหม่หรืออาจจะไม่ได้พบก็ได้เพราะจังหวะที่เราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาเกิดพร้อมกับพระพุทธเจ้านี้มันก็ไม่ใช่เป็นของที่ง่ายได้อาจจะไม่ได้มีโอกาสก็ได้เหมือนกับพวกเราในภพนี้ชาที่เราไม่ได้มีโอกาส ที่จะได้มาเกิดมาพบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงแต่พวกเราก็ยังถือว่าโชคดีที่ยังมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าอยู่ก็เหมือนกับได้พบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงนั่นแหละเพราะถ้าไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะทรงสอนให้พวกเราทําทานให้เรารักษาศีล ให้เราภาวนากันจะไม่สอนอย่างอื่นสอนอย่างเดียวกันเหมือนกันทุกอย่างดังนั้นอย่าให้ความหลงมาหลอกให้เราคิดว่าเราควรจะรอฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยตรงรอให้เราได้มาเกิดใหม่และได้มาพบกับพระพุทธเจ้าใหม่แล้วฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า จะทำให้เราบรรลุถึงพระนิพพานได้เลยการที่บุคคลจะได้บรรลุถึงพระนิพพานได้อย่างรวดเร็วในขณะที่ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านี้มันขึ้นอยู่กับบุญบารมีคือทานศีลภาวนาที่ได้บำเพ็ญมามากน้อยเพียงไรต่างหาก ไม่ได้อยู่ว่าได้พบกับพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วจะบรรลุได้ทันทีทันใดเพราะผู้ที่ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่ได้ไม่ได้บรรลุธรรมก็มีเหมือนกันไม่ใช่ว่าคนทุกๆคนที่ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วจะบรรลุธรรมได้พร้อมกันหมดทุกคน อย่างตอนที่พระองค์ทรงสแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกที่เรียกว่าพระธรมรมเทศนาทรงสแสดงธรรมจากกัปวัตตนสูตรแก่พระปัญจวคีผู้ที่เคยปรนิบัติอุปถาพระพุทธเจ้าห้ารูปแต่หลังจากที่ได้เสร็จจากการสแสดงธรรม มีเพียงรูปเดียวที่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันอีกสี่รูปนั้นยังไม่ได้บรรลุยังเป็นปุตุชนอยู่นั่นก็เพราะว่าปัญญาบา ร, รมีนั้นไม่เท่าเทียมกันพระอัญญาณโกนทัญญาผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมเป็นองค์แรกเป็นผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระอริยสงสาวกองแรกเป็นพระโสดาบันองค์แรกของโลก นั้นท่านมีปัญญามากกว่าพระเอกสี่รูปด้วยกันท่านจึงบรรลุ ก, ก่อนในขั้นที่หนึ่งแต่ต่อมาพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมสั่งสอนอบรมให้แก่พระปัญจวัคคีย์อีกอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็ได้บรรลุเป็นพาาาระอรหันต์พร้อมๆกัน นี่คือสิ่งที่เราต้องพิจารณาไม่ใช่ว่าทุกคนที่ฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยตรงจะได้บรรลุกันทุกคนคนที่ไม่ได้บรรลุ ก, ก็มีมากมายขนาดพระอัญญาพระอานนุ์ผู้ที่ปนิบัติพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้ฟังเทศฟังธรรมพระพุทธเจ้าทุกเทศทุกทกัน เพราะพาระอนุ์ได้เคยขออนุญาตจากพระพุทธเจ้าตอนที่จะรับเป็นผู้อุปถัมภะพระพุทธเจ้าว่าถ้าพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ใดแล้วพระอานุ์ไม่ได้ตามเสด็จด้วยเวลาที่พระองค์ได้แสดงธรรมเทศนาที่ใดและขอให้พระพุทธเจ้ากลับมาแสดงให้แก่พระอานนุ์ได้ฟังไว้ พระอนุ์จึงถือว่าเป็นผู้ได้ฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้าทุกการเทศเลยก็ว่าได้แต่พระอนุ์กลับไม่ได้บรรลุพระนิพพานในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่ต้องรอหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันไปแล้วสามเดือนด้วยกันถึงได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ ถึงได้บรรลุถึงพระนิพพานได้นี่คือเรื่องของปัญญาบารมีหรือความวิริยะบารมีคือความบำเพ็ญเพียรพระอานอนท์นี้ได้ฟังธรรมทุกกันแต่ไม่มีเวลาไปปริกวิเวกไม่มีเวลาไปบำเพ็ญส ม, มถภ า, ภาวนาวิปัสสนาภาวนาอย่างเต็มที่ เพราะต้องเสียเวลาให้กับการคอยอุปธัรมประถารพระพุทธเจ้าคอยรับใช้พระพุทธเจ้าซักกีวรนล้างบาทกวาดถูสาราทำหน้าที่เป็นหน้าห้องของพระพุทธเจ้าเวลามีสัตว์มีแคร์เกลือมากราบเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ต้องนำเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า จึงไม่มีเวลาที่จะไปเปริกวิเวกไม่มีเวลาไปบำเพ็ญเพียรความเพียรการที่จะบรรลุธรรมธรรมได้นั้นต้องมีการบำเพ็ญเพียรถ้าปัญญาบา ร, รมียังไม่พร้อมอยังไม่ถึงต้องเปิกวิเวกเพื่อไปเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเพื่อหล่อห้อมจิตใจให้ฉลาดแหลมคม ทานกิเลสตัณหาที่คอยหลอกล่อให้สร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆไม่อย่างไม่รู้จักจบจากสิน้นพอปัญญารู้ทันแล้วก็จะสามารถทำลายกิเลสตัณหาที่คอยสร้างความทุกข์ให้แก่ใจได้อย่างหมดสิน้นพอกิเลสตัณหาได้ถูกทำลายจนหมดสิ้นแล้ว จ็ดก็จะสะอาดบริสุทธิ์ก็จะได้พระนิพพานในพระอนุ์ต้องรอให้พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันไปก่อนพอหลังหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันไปแล้วพระอานุน์ก็ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องคอยดูแลพระพุทธเจ้าก็จะมีเวลาที่จะไปเปกวิเวกไปบําเพ็ญ จเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วในระยะเวลาเพียงสามเดือนก็สามารถบรรลุ ถ, ถึงพระนิพพานได้ดังนั้นแต่ละคนนี้จะมีบุญมีบารมีสะสมมาไม่เท่ากันการบรรลุธรรม ถึงแม้ว่าจะฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าพร้อมๆกันก็ตามแต่ผู้ที่จะบรรลุนั้นจะบรรลุได้บรรลุไม่ได้นั้นขึ้นอยู่กับบุญบารมีโดยเฉพาะปัญญาบารมีที่ได้บำเพ็ญมาได้สร้างมาว่ามีมากมีน้อยเพียงไรถ้ามีไม่มากก็ยังจะไม่สามารถที่จะบรรลุได้ในขณะที่ฟัง ถ้ามีมากก็จะสามารถบรรลุดได้ในขณะที่ฟังเลยเหมือนกับบัวสี่เหล่าบัวที่อยู่เหนือน้ำแล้วนี่รอให้แสงพระอาทิตย์มาสัมผัสก็จะบานขึ้นทันทีแต่ถ้าเป็นบัวที่ปริมน้ำที่ยังไม่โผ่เหนือน้ำขึ้นมาถึงแม้จะมีแสงพระอาทิตย์ ก็จะยังไม่สามารถที่จะบานออกมาได้แล้วบัวที่อยู่ใต้น้ำอยู่กลางน้ำเนี้ก็ต้องรอเวลาไปก่อนรอให้บัวนี้โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำก่อนแล้วสัมผัสกับแสงสว่างของพระอาทิตย์จึงจะบานออกมาได้ใจก็เหมือนกันใจต้องโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำก่อน คือต้องอยู่ในระดับภาวนาไ ม, ย, ามยปัญญาคือมีทั้งสมถะความสงบและมีความรู้ในพระอริยสัจสีความรู้ในตายลักษ์พอได้ยินได้ฟังรายละเอียดของของตายลักษ์หรือของอริยสัจสี่ ซึ่งเป็นเหมือนแสงสว่างของพระอาทิตย์มาสัมผัสกับใจใจก็จะสามารถตัดกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจได้บรรลุถึงพระนิพพานได้แต่ถ้ายังอยู่ในขั้นสมถะภาวนายังไม่ได้เข้าสู่ขั้นวิปัสสนาภาวนาถึงแม้ฟังธรรมแล้วก็ยังอาจจะบรรลุไม่ได้ เพราะยังไม่เข้าใจยังต้องนำเอาไปพิจารณาอยู่เนืองๆก่อนพิจารณาอยู่เรื่อยๆก่อนจนเกิดความเข้าใจถึงการทำงานของพระอริยสัจ ส, สี่ว่าทำอย่างไรทุก์เป็นอย่างไรสมุทัยเป็นอย่างไรนิโรธเป็นอย่างไรมรรคเป็นอย่างไร คำว่าอ น, นิจจังมีความหมายว่าอย่างไรคำว่าทุกขังมีความหมายว่าอย่างไรคำว่าอนัตตามีความหมายว่าอย่างไรอันนี้ยังต้องพิจารณาให้เกิดความเข้าใจก่อนท่าเพียงแต่ได้ยินแต่ชื่อยังไม่เข้าใจความหมายก็ยังจะไม่สามารถนําเอามาใช้ดับกิเลสตัณหา ที่มีอยู่ภายในใจได้ดังนั้นการบําเพ็ญของแต่ละบุคคล น, นี้จึงไม่เท่ากันไม่เสมอกันเพราะการบําเพ็ญในอดีตชาติก็บําเพ็ญกันมามากน้อยไม่เท่ากันและในสมัยปัจจุบันก็เช่นเดียวกันการบําเพ็ญก็มากน้อยไม่เท่ากัน ครูบาอาจารย์ต่างๆที่พวกเรากราบว่าบูชานี่ท่านกับบรรลุธรรมต่างกันไป ต, ต่างเวลากันบางองค์ท่านกับบรรลุก่อนบางองค์ท่านกับบรรลุหลังเพราะแต่ละคนนี้มีเหตุมีปัจจัยที่เสริมและ ท, ที่ที่ต้านไม่เท่ากันนั่นเองการบรรลุธรรมจึงมีความแตกต่างกันไป ช้าบ้างเร็วบ้างแต่ถ้ามีการบําเพ็ญอย่างต่อเนื่องไม่ท้อถอยไม่หยุดไม่ย่อนก็จะสามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้เหมือนกันหมดเมื่อถึงพระนิพพานแล้วก็ไม่สาคัญว่าใครไปถึงก่อนใครไปถึงหลังผลนี้จะมีคุณค่าเท่ากันมีราคาเท่ากัน ถ้าพระนิพพานมีราคาหนึ่งร้อยคนที่ไปถึงในสมัยพระพุทธการก็จะได้หนึ่งร้อยคนที่บรรลุในสมัยปัจจุบันนี้ก็จะได้หนึ่งร้อยเหมือนกันพระนิพพานในสมัยพระพุทธการกับพระนิพพานในสมัยปัจจุบันนี้เหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันบริสุทธิ์เหมือนกันปราศจากความโลภความโกรธความหลงเหมือนกัน หลาสจากตันหาคือกามตันหาภาวะตันหาและวิภวะตันหาเหมือนกันไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเหมือนกันดังนั้นผู้บำเพ็ญจึงไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องการบรรลุช้าหรือบรรลุเร็วขอให้กังวลว่ามีความเพียรมากน้อยเพียงไรเพราะความเพียร น, นี่แหละ จะเป็นตัวที่จะทำให้เกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาถ้าไม่มีความเพียรมีแต่ความอยากก็จะไม่มีวันที่จะได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้จะมีแต่ความเครียดมีแต่ความท้อแท้เบื่อหน่ายเพราะอยากจะได้ผลแต่ไม่ได้ดูว่าตนเองไม่ได้บำเพ็ญความเพียรเลยอาจจะมีบ้างเพียงเล็กน้อย เดินจงกรมได้สองสามเกก็อยากจะให้ได้ผลนั่งสมาธิได้ห้านาทีสิบนาทีก็อยากจะให้ได้ผลพอเกิดความอยากขึ้นมาก็หยุดบําเพ็ญนั่งคิดอย่างเดียวว่าเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้ถ้าคิดอย่างนี้แล้วคิดไปจนวันตายก็จะไม่มีวันได้การที่จะได้ผลนี้ต้องควบคุมความคิดความอยาก ด้วยการเจริญสติเช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธขอให้มีการบริกรรมพุทโธไปอย่างเดียวเถิดอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าไปอยากได้ผลอย่างนั้นผลอย่างนี้ผลไม่ใช่จะเกิดขึ้นจากความอยากผลเกิดขึ้นจากการเจริญสติอย่างต่อเนื่องถ้าถ้ามีการบริกรรมพุทโธอย่างต่อเนื่อง หานาทีเจ็ดก็รวมได้อย่างที่หลวงตาเคยเล่าการปฏิบัติของคุณแม่ชีแก้วตอนที่เธอลองนั่งสมาธิใหม่ๆเธอบริกรรมพุทโธไปห้านาทีเจ็ดก็รวมเข้าสู่ความสงบได้แต่จิตของเธอเป็นจิตที่ผาดผนพอเข้าสู่ความสงบแล้วแทนที่จะนิ่งอยู่เฉยๆกลับออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆ ไปรับรู้นิมิตต่างๆเวลาที่เธอออกจากภาวนามาเธอก็คิดว่านอนหลับฝันไปมาเล่าให้หลวงปูม่ม่นฟังหลวงปูม่ม่นท่านก็บอกว่าอันนั้นเป็นนิมิตแต่เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเพราะนิมิตนี้ไม่ได้เอ้อต่อการบำเพำ็ญวิปัสสนาภาวนา ไม่ได้เอื้อต่อการฆ่ากิเลสตัณหาผู้ที่บำเพ็ญเพื่อมรรคผลนิพพานไม่ควรไปหลงติดอยู่กับนิมิตควรควบคุมจิตให้เข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความว่าเข้าสู่อุเบกขาสักแต่ว่ารู้ขณะที่อยู่ในอุเบกขานั้นก็ปล่อยให้อยู่ไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เพราะเป็นการสร้างกําลัง ของอุเบกขาให้มีมากขึ้นไปนั่นเองเพราะเวลาที่จะออกมาบาเพ็ญวิปัสสนาเพื่อที่จะทำลายกิเลสตัณหานี่จะต้องอาศัยกำลังของอุเบกขาไว้ต่อสู้กับกิเลสตัณหาที่ยังไม่ได้ตายจากการรวมของจิตในสมาธิเวลาจิตถอนออกมาจากสมาธิ กิเลตันหาที่ถูกกำลังของสมาธิกดเอาไว้ก็จะโผล่ออกมาตามความคิดปรุงแต่งพอมีความคิดปรุงแต่งคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะเกิดความอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาถ้าไม่มีปัญญามากำจัดความอยากความอยากนี้ก็จะทำลายความสงบที่ได้จากสมาธิไป ทำให้ต้องไปทำตามความอยากเพราะไปคิดว่าทำตามความอยากแล้วจะได้ความสุขแต่เป็นความสุขชั่วคราวที่มีความทุกข์ตามมาก็เลยเป็นการเดินเข้าหาความทุกข์แทนที่จะเดินออกจากความทุกข์กันเพราะไม่มีปัญญาถ้ามีปัญญาก็จะ รู้ว่าการกระทำตามความอยากนี้ไม่ได้เป็นการดับความทุกข์แต่เป็นการสร้างความทุกข์และต่อความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าอยากจะดับความทุกข์ก็ต้องไม่ทำตามความอยากถ้ามีปัญญาและมีอุบเบกขาที่ได้จากสมาธิก็จะสามารถ ไม่ทำตามความอยากได้พอไม่ทำตามความอยากได้แล้วความอยากก็จะอ่อนกำลังลงไปครั้งต่อไปมันก็จะมีกำลังน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าเราสามารถไม่ทำตามมันในครั้งแรกได้ครั้งที่สองเราก็จะฝืนได้ครั้งที่สามยิ่งง่ายขึ้นไปจนในที่สุดมันก็จะไม่มีกำลังที่จะมา ชุดลากจิตใจให้ไปหาความทุกข์ได้เลยจิตก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี่คือเรื่องของการบาเพ็ญของคุณแม่ชีแก้วที่มีสติได้สร้างสตินี้มาในอดีตชาติพอลองนั่งเพียงครั้งแรกจิตก็รวมได้นั่งบริกรรมพุทโธห้านาทีเท่านั้น ก็ได้ยินได้ฟังจากหลวงปู่มั่นสอนวิธีนั่งสมาธิว่านั่งอย่างไรหลวงปู่บอกให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปเธอก็ทำตามที่หลวงปู่สอนไม่คิดปุงแต่งในขณะที่บริกรรมพุทโธห้านาทีจ็ตก็รวมเข้าสู่ความสงบได้แต่นิสัยของเธออดีตชาติของเธอนั้นจิตของเธอจะไม่รวมเข้าสู่อัปปนาเข้าสู่ความสงบ จะออกไปสู่อุปจาระสมาธิออกไปสู่เรื่องราวนิมิตต่างๆหลวงปู่มั่นจึงต้องคอยคอยสอนเธอช่วงนั้นช่วงที่หลวงปู่มั่นอยู่ใกล้หมู่บ้านเธอหลวงปู่มั่นก็อนุญาตให้เธอภาวนาไปแต่พอหลวงปู่มั่นต้องจาวิ้กไปที่อื่นจาวิ้กไปที่อื่นหลวงปู่มั่นก็บอกให้หยุดภาวนาไว้ก่อน พรผู้ที่มีนิสัยแบบนี้ถ้าภาวนาโดยไม่มีครูอาจารย์อาจจะไปหลงติดนิมิตแล้หลงทางได้แทนที่จะไปพระนิพพานก็จะไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดต่อไปได้เพราะว่านิมิตต่างๆนี้ถ้าไม่รู้จักใช้ให้มาดับกิเลสก็จะกลายเป็นการเสริมสร้างกิเลสไปได้ผู้มี นิสัยแบบนี้เวลานั่งสมาธิแล้วไปปะไปรู้เรื่องราวต่างๆนั้นควรจะมีครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาแล้วอย่างหลวงปู่มั่นคอยเป็นผู้อบรมสั่งสอนอพอหลวงปู่มั่นเสียไปคุณแม่ชีแก้วก็เลยต้องมาศึกษากับหลวงตามหาบวัว พอหลวงตาท่านก็เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านสมาธิด้านต่างๆก็มาศึกษากับหลวงตาหลวงตาก็คอยห้ามปรามว่าอย่ากออกไปรับรู้นิมิตต่างๆเวลาจิตรวมสงบแล้วดึงมันไว้อย่าให้มันออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆท่านสอนอีกครั้งเธอก็หักห้ามจิตใจไม่ได้ พอจิตรวมแล้วก็มักจะออกไปรู้นิมิตต่างๆอีกจนหลวงตาต้องใช้มาตรการเด็ดขาดก็คือว่าถ้ายังไม่ทําตามที่หลวงตาสอนก็เลิกเป็นลูกศิษย์เลิกเป็นอาจารย์กันท่านถึงต้องท่านใช้มาตรการเด็ดขาดอย่างนั้นเธอถึงหยุดได้เพราะยังเพราะควาวลบทูบอบาจะและอย่าง ยึดถือครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งอยู่นั่นเองนี่คือตัวอย่างของผู้ที่บําเพ็ญสมถภาวานาแล้วออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทวดาเทวบุตรของเปรตของผหอีหรือของอะไรต่างๆก็ตามขอให้รู้ไว้ว่ามันไม่เป็นประโยชน์ต่อการบําเพ็ญ ปัสนาภาวนาที่จะตามมาต่อไปหลังจากออกสมาธิมาแล้วเคยจะไม่สามารถออกไปทางปัญญาได้นั่นเองออกมาจิตก็จะไม่มีกําลังพิจารณาไตรลักษณ์ไม่มีกําลังพิจารณาอสุภะไม่มีกําลังพิจารณา อ, อนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะติดอยู่ในสมาธิแบบนี้ พอเข้ามาสมาธิทีไรก็จะออกไปรู้รับรับรู้เรื่องราวต่างๆจิตก็จะไม่ก้าวหน้าจะไม่สามารถเข้าสู่อริยมรรคอริยผลไดนะ้ผู้ที่มีนิสัยอย่างนี้ต้องใช้สติดึงใจเอาไว้เวลาใจสงบแล้วดึงให้อยู่ในความว่างให้อยู่กับอุเบกขาให้สักแต่ว่ารู้อย่าปล่อยให้ไปรับรู้เรื่องราวต่างๆ แล้วพออยู่ในอุเบกขาได้พอออกจากสมาธิมาก็จะมีกำลังที่จะดึงใจไปพิจารณาอสุภกดีพิจารณาอนิจจงทุกขังอนาตาัตตกดีได้พอพิจารณาได้ก็จะสามารถตัดกิเลสตัณหาต่างๆละสังโยชน์ทั้งสิบประการได้บรรลุถึงพระนิพพานได้ด้วยวิปัสสนาภาวนา ไม่ใช่ด้วยสมถะภาวนาแบบที่มีนิมิตต่างๆคนสมัยนี้ที่ไม่ได้ศึกษามักจะหลงคิดว่าเวลานั่งสมาธิแล้วต้องเห็นนรกเห็นสวรรค์นัง่งรับรกชาติได้หรือต้องมีอภิน ญ, ญาต่างๆมีหูทิพตาทิพเสียงทิพรู้ รู้เรื่องของรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ต่างๆการรู้ราวเหล่านี้ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องของมากผลเป็นความรู้ที่เรียกว่าเดระฉานวิชาเคือไม่สามารถที่จะทําให้จิตนั้นหลุดออกจากวัตฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ความรู้ที่จะนําให้สัตว์โลกได้ออกจากวัตฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ ก็คือความรู้ในไตรลักษณ์ในอริยสัจสี่ในอสุภะความไม่สวยไม่งามของร่างกายหรือในอาหารเลยปฏิกูลรสัญญาคือความโสโครกของอาหารเพราะจะทําให้ไม่หลงไหลกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่สัตว์โลกยังหลงไหลกันอยู่เช่นอาหารการกินต่างๆ บางคนก็ติดอยู่กับเรื่องกินต้องกินอาหารชนิดนั้นอาหารชนิดนี้ถึงจะมีความสุขแต่หารู้ไหมว่าเป็นการติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดเพราะถ้าติดกับรสชาติอาหารก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่เรื่อยๆการรับประทานเพื่อไม่ให้ติดอยู่กับรสชาตินี้รับประทานเพื่อให้ร่างกายมีอาหารหล่อเลี้ยงเท่านั้น อาหารก็ไม่ควรจะเป็นอาหารที่ถูก อ, อกถูกใจวิธีที่จะรับประทานทําลายอาหารที่ถูก อ, อกถูกใจก็คือเอาอาหารทุกชนิดมารวมกันในภาชนะอันเดียวกันชอบอะไรก็ใส่เข้าไปในภาชนะนั้นทั้งของขาวทั้งของหวานคนมันเข้าไปให้เป็นเหมือนกับอาหารที่เข้าไปอยู่ในทอ้องเพราะนั้นอาหารทั้งหมดที่รับประทานนี้ไม่ช้าก็เร็วมันก็เข้าไปอยู่ในท้อง เมื่อมันรวมกันอยู่ในท้องนี้มันน่าดูน่ากินไหมอาหารตอนที่มันอยู่ในจานนี่เราน้ําลายไหล ย, ยืดแต่พอมันออกมาจากท้องนี่มันกลับกินไม่ลงเสียแล้วเราต้องกินแบบนั้นกินแบบฝืนกินอย่าไปกินแบบอยากกินเพราะกินด้วยความอยากมันจะทําทให้เราติดการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเรากินด้วยความฝืน กินเหมือนกินยาเพราะต้องเยียวยาดูแลรักษาร่างกายถ้ากินแบบนี้จะไม่กลับมากินใหม่ตายไปแล้วจะไม่หิวจะไม่อยากจะกลับมากินอาหารต่างๆเพราะอาหารต่างๆที่กินนี้มันจะเห็นว่าเห็นสภาพของมันในขณะที่อยู่ในท้องหรืออยู่ที่ในปากหรือถ้าอยู่ในชะอยู่ในจานก็เอามาคนมันเอามารวมกันไว้หมด เช่นวันนี้จะรับมื้อนี้จะรับประทานอะไรบ้างกับข้าวสองอย่างอข้าวอย่างหนึ่งของหวานอย่างหนึ่งผลไม้อย่างหนึ่งเครื่องดื่มอย่างหนึ่งใส่มันเข้าไปในภาชนะอันเดียวค้นมันเข้าไปเดี๋ยวมันก็ต้องไปรวมกันอยู่ในท้องอถ้ากินแบบนี้รับรองได้ว่ากินแบบตัดพบตัดชาติไม่ได้กินเพื่อเวียนว่ายตายเกิด น, นี่คือแนวของปัญญาเป็นอย่างนี้ ต้องกินแบบนี้ต้องเห็นอาหารว่ามันโสโครกโสกระบอ ก, ก, ก, ก, กไม่น่ารับประทานเหมือนกับอาหารที่อาเจียนออกมาจากท้องเหมือนกันกินเข้าไปแล้วอาหารที่เรากินมันก็เป็นอาหารอันเดียวกันไม่ใช่เหรออาหารที่แสน อ, ร, อร่อยที่เรากินเข้าไปในท้องเสียเงินหลายร้อยหลายพันบาทพออาเจียนออกมาแล้วทําไมกินกลับเข้าไปไม่ได้นั่นแหละเราต้องกินแบบนั้นคิดว่าเรากําลังกินอาจเจียนกัน อาหารเลยปฏิกริยาสัญญาก็คือให้เราระลึกถึงสภาพของอาหารที่อาเจียนออกมาอาหารที่กำเรากำลังจะรับประทานเข้าไปต่อไปมันก็จะเป็นเหมือนกับอาเจียนที่เราอาเจียนออกมาแล้วเราจะรับประทานอย่างไม่อยากจะรับประทานรับประทานเหมือนรับประทานยาขมอย่างนั้นถ้ารับประทานอย่างนี้แล้วก็จะไม่ติดจะไม่เป็นกิเลสจะไม่เป็นตัณหา นี่คือลักษณะของการเจริญวิปัสสนาภาวนาต้องเจริญแบบนี้อสุภะก็ดูร่างกายดูตอนที่มันตายดูตอนที่มันแก่ดูตอนที่มันเก็บไข้ได้ป่วยเวลาไปหาหมอเป็นมาเลงหมอใช้ขีมูลรักษาผมเผาเป็นอย่างไรหายไปหมดศีรษะโล้นต้องคิจรนาอย่างนี้แรืวอเวลาที่ตายไปแล้วเป็นอย่างไร เวลาที่มันขึ้นเอิดขึ้นมาเป็นอย่างไรเขียวช้ำเขียวอะไรต่างๆไม่น่าดูเลยมันก็ร่างกายอันเดียวกันร่างกายที่เราพยายามตกแต่งด้วยเครื่องสำอางต่างๆมันก็สวยเฉพาะเราตกแต่งมันเท่านั้นเองแต่เวลาที่ไม่ตกแต่งหรือมันไม่น่าดูหรือเวลาที่มันแก่มันเจ็บมันตายนี่มันไม่น่าดู หรือถ้ามันสวยข้างนอกก็ดูข้างในก็ได้ภายใต้ผิวหนังมันสวยเหมือนกับที่อยู่ข้างนอกหรือเปล่าถ้าเราแวก อ, อกเขาออกมาดูภายใต้ผิวหนังจะมีอะไรให้เราดูก็มีโครงกระดูกมีอวัยวะต่างๆมีหัวใจตับปอดลำไส้เองเหล่านี้หน้าดูไหมสวยงามไหมนี่คือสิ่งที่เราต้องพิจารณา จะพิจารณาสิ่งเหล่านี้ได้จิตจะต้องมีอุบเบกขาต้องมีความสงบถ้าไม่มีอุบเบกขานี่กิเลสตัณหาจะดึงไปคิดแต่สิ่งที่กิเลสตัณหาชอบคิดก็คิดแต่เรื่องสวยๆงามๆคิดถึงอาหารที่อริดอร่อยพอคิดถึงเรื่องราวเหล่านั้นก็จะทำให้เกิดตัณหาความอยากขึ้นมาพอเกิดความอยากใจก็ทุกข์อยู่ไม่เป็นสุข ต้องไปทำตามความอยากต้องไปรับประทานต้องไปร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้แล้วก็ต้องไปติดไปผูกพันต้องทาอยู่เรื่อยๆเพราะทอมผลทำครั้งเดียวไม่พอนั่นเองรับประทานครั้งเดียวไม่พอต้องรับประทานไปเรื่อยๆร่วมหลับนอนก็เหมือนกันหลับประนอนครั้งเดียวไม่พอต้องหลับนอนกันไปเรื่อยๆจนตายจากกันไปเรื่อแยกทางกันไป ถึงจะหยุดได้แต่หยุดที่ร่างกายเท่านั้นใจมันยังไม่ยอมหยุดมันก็เลยกลับมาเกิดใหม่มาหาร่างกายอันใหม่แล้วก็มาทําแบบเดิมอีกนี่นี่คือวิสิ่งที่พระเจ้าจะมาคอยช่วยพวกเราให้เราแก้ปัญหาอันนี้ปัญหาซ้ำซากที่เราชอบทํากันอยู่ทุกภพกทุกชาตินก็คือหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกัน ยังสอนให้เรามองส่วนที่ไม่น่าดูส่วนที่ทำให้เราไม่มีความอยากไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นพอเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายเห็นความสกปรกของอาหารที่เราหลงหลยข้างไครอยากจะรับประทานกันพอเห็นส่วนที่ไม่น่าดูมันก็จะหยุดความอยากได้ แล้วพอไม่มีความอยากจิตก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือขั้นวิปัสสนาปัญญาก่อนจะเข้าสู่ขั้นนี้ได้ต้องเข้าสู่ขั้นสมถะก่อนจิตต้องรวมเป็นหนึ่งสักตรวารุเป็นอุเบกขาให้ได้ก่อนก่อนที่จะรวมได้ก็ต้องมีสติที่เข้มแข็งที่ต่อเนื่อง เวลานั่งสมาธิให้อยู่กับพุทธโธก็จะอยู่กับพุทธโธเพียงอย่างเดียวไม่ใช่อยู่พุทธโธได้คำสองคำก็ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นนแล้วถ้าไปอย่างนี้นั่งไปเป็นชั่วโมงก็จะไม่สงบเพราะมันเป็นเหมือนการชักกะเยอะกันฝ่ายหนึ่งก็ให้ดึงออกฝ่ายหนึ่งก็จะดึงเข้าพุทธโธจะดึงจิตให้เข้าข้างในแต่กิเลสตัณหาก็จะดึงจิตให้ออกไปข้างนอก ให้ออกไปสู่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะให้ออกไปสู่ลาภยศจัละเสิญสุขให้ไปสู่คนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าออกไปแล้วมันจะไม่สงบต้องดึงเข้าถ้าสติไม่มีกำลังก็จะไม่สามารถดึงจิตเข้าข้างในได้ดังนั้นผู้ที่นั่งสมาธิไม่ได้นี้ก็ขอให้รู้ไว้ว่าสติไม่มีกำลัง ต้องมาฝึกสร้างสติกันให้มากๆซึ่งเราสามารถสร้างได้ตลอดเวลาการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเช่นการบริกรรมพุทโธนี้เราสามารถทำได้ตลอดเวลาตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาเนี้เราบริกรรมพุทโธไปเลยไม่ว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรต่างๆที่ไม่ต้องใช้ความคิดเราก็บริกรรมพุทโธไป ถ้าต้องใช้ความคิดเราก็พักพุทธโธไว้ชั่วคราวพอเสร็จแล้วเราก็กลับมาบริกรรมต่อจะหยุดก็ต่อเมื่อจิตไม่คิดอะไรถ้าจิตไม่คิดอะไรสักแต่ว่ารู้ก็ไม่ต้องบริกรรมพุทธโธแต่พอเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เริ่มเกิดกิเลสตันหาเกิดความอยากเกิดความโลภขึ้นมาก็ต้องใช้การบริกรรมพุทธโธดึงเอาไว้หยุดมนไว้น ถ้าเราทำอย่างนี้ได้เวลานั่งสมาธิเราก็จะดึงจิตให้เข้าสู่ความสงบได้ให้จิตรวมเป็นอัปปนาได้ให้มีอุเบกขาที่จะเป็นกำลังสนับสนุนในการต่อสู้กับกิเลสตัณหาต่อไปได้นี่คือเรื่องของการบำเพ็ญจะเจริญสติได้ก็ต้องมีความเพียรเป็นหลักความพยายามเป็นหลัก ขอให้นึกคํานี้ไว้เสมอว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียร อ, อันนี้ถ้าไม่มีก็ไม่มีทางที่จะบรรลุถึงผลต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นผลทางโลกหรือผลทางธรรมก็เช่นเดียวกันเช่นการศึกษาการนาเรียนจะจบปริญญาได้ก็ต้องมีความเพียรไปไปโรงเรียนไปมหาลัย มีความเพียรดูหนังสือมีความเพียรทําการบ้านถึงจะสามารถสอบและผ่านได้ถ้าไม่มีความเพียรไม่ไปไม่เข้าห้องเรียนไม่ทําการบ้านไม่ดูหนังสือเวลาไปสอบจะสอบได้อย่างไรฉันใดถ้าอยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอยากได้มรรคผลนิพพานก็ต้องมีความเพียรที่จะเจริญสติอย่างสม่ำเสมอ แล้วก็มีความเพียรที่จะเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสลับกันไปนการบาเพ็ญสมถะกับวิปัสสนานี้จะทาสลับกันไปขณะที่ทำสมถะเราก็จะไม่ทำวิปัสสนาเพราะสมถะนี้เราต้องการพักใจพักความคิดปรุงแต่งส่วนเวลาเจริญวิปัสสนานี้เราต้องการใช้ความคิดปรุงแต่งไปในทางธรรมต้อง ทำพร้อมกันไม่ได้ระหว่างสมถะกับวิปัสสนาต้องผัดกันทําตอนต้นก็ต้องทําสมถะก่อนให้จิตมีกําลังที่จะมาพิจารณาทางปัญญาพอออกจากสมถะมาก็จะลองวิปัสสนาพิจารณาตายร่างเช่นร่างกายก็พิจารณาเกิดแก่เจ็บตายร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆ คอยสานใจเตือนใจไว้ไม่ให้หลงไม่ลืมพอไม่หลงไม่ลืมเวลาเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็จะไม่ทุกข์เพราะเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์จะไม่เกิดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะรู้ว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่างแน่นอนะก็เตรียมตัวเตรียมใจรับเอาไว้ะไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจ แต่ถ้าไม่พิจารณาก็จะลืมไปแล้วก็จะอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเจอความแก่ความเจ็บความตายก็จะทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีบางทียังไม่ทันเจอเพียงแต่คิดก็ก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วคิดว่าจะต้องแก่ก็ทุกข์แล้วคิดว่าจะต้องตายก็ทุกข์แล้วทั้งๆที่ยัง ang, ไม่แก่ยังไม่ตายแต่ถ้าพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้วจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย นี่คือเรื่องของการบําเพ็ญสมถาภาวนาและวิปัสสนาเพื่อการหลุดพ้นเพื่อมรรคผลนิพพานต้องทําสลับกันไปถ้าทําสมถะภาวนาก็จะไม่ทําวิปัสสนาภาวนาถ้าทําวิปัสสนาภาวนาก็ไม่กังวลกับเรื่องความสงบต้องการความจริงต้องการความรู้จริงเห็นจริงของสภาวธรรมทั้งปวงเพื่อที่จะได้ปล่อยวางเพื่อที่จะละตันหาความอยากต่างๆ เป้าหมายของการภาวนาทั้งสองแบบนี้จึงไม่เหมือนกันเป้าหมายของสมถภาวนาต้องการความนิ่งความสงบของใจไม่ต้องการความคิดไม่ต้องการรับรู้เรื่องราวต่างๆเช่นนิมิตต่างๆส่วนขั้นของวิปัสสนานี้ไม่ต้องการความสงบต้องการความเข้าใจต้องการเห็นความจริงเพื่อจะได้หยุดกิเลส ต, ตัณหาความอยากความโลภต่างๆได้เท่านั้น จึงขอให้เรารู้จักหน้าที่ของการบำเพ็ญแต่ละหน้าที่ว่าไม่เหมือนกันหน้าที่ของทานก็ไม่เหมือนกับหน้าที่ของศีลหน้าที่ของศีลก็ไม่เหมือนกับหน้าที่ของสติของสมาธิของปัญญาแต่เป้าหมายมีอันเดียวกันคือพาไปสู่การหลุดพ้นจากกิเลสปัญหาหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นคือเป้าหมายที่แท้จริง เป้าหมายที่แท้จริงก็คือการหยุดความอยากต่างๆนี้เองเพราะความอยากนี้เป็นตัวที่ทำให้ไปเกิดแก่เจ็บตายเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ต่างๆให้แก่ใจงนั้นไม่ว่าจะเป็นการทำทานรักษาศีลหรือภาวนานี้ต้องอย่าลลมว่าทำเพื่อหยุดความอยากไม่ได้ทำเพื่ออยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าทาเพื่อความอยากแล้วจะไม่ได้ผลมันจะสวนทางกัน ยังขอให้พวกเราพยายามศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆเพื่อจะได้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วจะได้นําเอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อปฏิบัติอย่างถูกต้องก็จะได้ผลที่เราปรารถนากันผลที่พระพุทธเจ้าและพระอรหลนตสาวกทั้งหลายได้กันก็คือพระนิพพานการสิ้นสุดของการเกิดแก่เจ็บตายนั่นเอง การแสดงก็เคิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผ่อนอยะถาวาเิวะหาปุราปาริโวเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุปกักปติ อิชิตังปัต um ิตังตุ მ หังคีป้าเมวะสมิจเจตุสัพเพปรเรนตุสังกะปาจันทปนาหะโสยทามณิโชติอราศยทาสภิติโยวิวัจจานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะ พิวะธานสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโรธรรมวะทานติอายุวโนโสุขังภาล า, าต่อไปนี้ก็เป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดยอยากจะทราบอยากจะถามปัญหาอะไร ขอเชิญกรุณาขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้จะตอบเฉพาะตอนที่เปิดไม่เท่านั้นถ้าหลังจากปิดไม่แล้วก็จะขอยุติการถามตอบปัญหาเชิญ<อ>ถามได้ถ้าไม่เช่นนั้นเดี๋ยวจะให้พิธีกรอ่านคำถามที่ถามมาทางจากทางบ้านคำถามแรกจากคุณนิชาภาค่ะ กราบพระอาจารย์ยมโชคดีที่บ้านเงียบสงบปฏิบัติได้ทุกวันเหมือนอยู่วัดพอสามีออกไปทำงานยมก็เหมือนอยู่วัดได้เลยฟังธรรมทั้งวันใจอุเบกขาและอยู่กับอนิจจังในเรื่องที่มากระทบบางทีบอกตัวเองเมื่อรู้สึกว่าบ้านนี้ดีจังอากาศดีสงบดีใจก็จะบอกว่ามันไม่แน่อาจไฟไหม อาจมีเหตุอะไรก็ได้ที่ทำให้ไม่ได้อยู่สบายแบบนี้ป่วยมาก็ต้องไปอยู่โรงพยาบาลมันจะมีเบรกมาดึงทุกเรื่องเลยพอหอมดอกไม้ที่ปลูกไว้ก็คิดว่าจมูกนี่วันหนึ่งอาจไม่รับรู้กลิ่นมีคนไข้แบบนี้เยอะแยะที่ลิ้นไม่รับรสจมูกไม่ได้กลิ่นพระอาจารย์เจ้าคะการที่โยบเป็นแบบนี้เสมอๆทำให้ ไม่อยากได้อะไรไม่สังคมไม่เห็นสาระในความสวยงามเรื่องชอบไม่ชอบนี่แทบจะไม่มีเลยพอจะพอใจอะไรก็จะวางเหมือนมีเบรกในใจตลอดใจสงบมีความสุขมากๆเลยนอนหลับไปกับรู้ลมตลอดตื่นมาก็รู้ลมต่อเลยแต่ชอบนึกว่าให้หลับไปแบบรู้ลม และพรุ่งนี้ไม่ต้องตื่นอีกน่าจะดีไม่กล้าเล่าให้สามีฟังว่าคิดแบบนี้เกือบทุกวันคำถามค่ะในสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นคือโยบอยู่กับลมหายใจรู้ลมใต้จมูกเหนือริมฝีปากตลอดเกือบทั้งวันแม้ช่วงช่วยงานสามี ต, ตอนเย็นที่คลินิกก็ยังรู้ลมได้มีความสุขสงบในใจในใจมักคิดถึงอยากให้ถึงวันที่ จะมีลมหายใจสุดท้ายที่จะรู้ลมแบบนี้เพราะมั่นใจว่าจะหลุดพ้นมีพระสูตรตรัสสอนไว้ว่าถ้าละถละนันทิจิตหลุดพ้นการที่ดิฉันมีจิตดังคนงานรอรับค่าจ้างในวันสิ้นลมหายใจนี้เป็นสภาวะธรรมที่ปกติหรือไม่คะพระอาจารย์ก็เป็นการเจริญวิปัสสนาเป็นการเจริญปัญญาเพื่อปล่อยวาง ทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามองทางธรรมก็เริ่มเป็นเรื่องปกติถ้ามองทางโลกเขาก็อาจจะคิดว่าไม่ปกติยิ่งก็ตอบยากว่าปกติแบบไห น, นปกติทางโลกหรือปกติทางธรรมทางโลกเขาก็จะอาจว่าบ้าก็ได้คำถามต่อไปจากคุณจาจิจาจิคะ่ะถ้าเราค้าขายได้กำไรมากเพราะต้นทุนราคาถูก แต่ราคาที่เราขายก็พอๆกับที่คนอื่นขายกันอย่างนี้จะผิดศีลข้อลักทรัพย์หรือไม่คะการขายของนี่ถ้าเราขายตามราคาที่เราต้องการจะขายนี้จะจะแพงจะถูกนี้ไม่เป็นการลักทรัพย์ทั้งนั้นเพราะเราไม่ได้ไปเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาโดยที่เขาไม่อนุญาตเขาให้เราอย่างด้วยความยินดี เพราะเขาต้องการทรัพย์ของเราเป็นการแลกเปลี่ยนกันดังนั้นเราจะตั้งราคาโหดขนาดไหนก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะของบางอย่างในสายตาของเราอาจจะไม่มีคุณค่าอะไรแต่สำหรับอีกคนนึงอาจจะมีคุณค่ามากก็ได้เช่นภาพวาดที่เราดูแล้วบอกว่าไม่น่าดูเลยกลับมีราคาเป็นล้านเหรียญก็มี เพรฉนั้นเรื่องของราคาของการซื้อขายนี้มันขึ้นลงตามความต้องการของผู้ซื้อถ้ามีคนต้องการมากราคามันก็จะสูงขึ้นไปถ้ามีคนต้องการน้อยราคามันก็ต่ำอย่างน้ามันที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันก็ขึ้นขึ้นลงลงตามความต้องการของผู้ใช้ช่วงไหนโรงงานเขาผลิตน้อยใช้น้ํามันน้อยราคามันก็ตกลงช่วงไหนที่เขามีการผลิตมาก น้ำมันใช้มากราคามันก็สูงขึ้นไปยันเรื่องราคานี้ไม่ไม่เป็นปัญหาไม่เป็นประเด็นคำถามต่อมาค่ะจากคุณออยสุวรรณค่ะเวลานั่งพอบอกใจให้ว่างและปล่อยวางจะนิ่งสักพักไม่รู้สึกรู้ตัวตัวจะโยกอย่างแรงเหมือนหลับแต่คิดว่าตัวเองไม่หลับค่ะ อยากรู้ว่าตัวเองหลับหรือว่าเป็นสมาธิคะถ้านั่งเป็นสมาธิจริงๆนี่ร่างกายจะต้องนิ่งต้องเฉยไม่สายไปสายมาถ้าสายไปสายมานี่คงจะแบบเข้าเข้าเจ้าเข้างสงซะมากกว่าคงไม่ใช่เป็นสมาธิอาจจะเป็นการครึ่งหลับครึ่งตื่นสับปะงกหรือการนั่งแบบไม่มีสติแล้วปล่อยให้จิต แสดงอาการอะไรต่างๆไปอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นสมาธิถ้าเป็นสมาธินี้ต้องสงบกายสงบใจด้วยคำถามต่อมาจากคุณอาคิดเฟมไซเครงโปค่ะถ้าเราเริ่มเห็นสมมุติคือความคิดปรุงแต่งสัญญาอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบ่อยๆจดถึงขั้นเห็นตลอดเวลาโดยไม่เข้าต่อเติมเสริมแต่ง อย่างนี้เราเรียกว่าวิมุตติได้ไหมครับยังเราต้องหยุดความอยากให้ได้ก่อนถึง แ, แม้จะรู้ว่ามันเป็นสมมุติแต่ถ้ายังอยากกับสมมุติอยู่มันก็ยังหลุดไม่หลุดต้องไม่มีความอยากกับสิ่งที่เรารับรู้บุงแต่งขึ้นมาให้รู้ทันว่ามันเป็นสมมุติมันไม่มีคุณค่าราคาสําหรับจิตใจคือมันไม่ได้ทําให้จิตใจสุข กับทำให้จิตใจทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเวลาที่มันจากเราไปเราก็จะทุกข์ถ้าเรามีความรักความชอบความยินดีเราต้องตัดความรักความชอบความยินดีกับทุกสิ่งทุกอย่างทำใจให้สักแต่ว่ารู้เท่านั้นถึงจะถึงจะหลุดได้คำถามฝากถามค่ะระหว่าง ก, การนั่งภาวนาอยู่บนเก้าอี้หชั่วโมง โดยบริกรรมท่องอาการ32ตั้งแต่ผมไปจนถึงนามูดแต่ตอนทวนกลับจากนามูดยังจำลำดับไม่ได้หมดทั้ง32อาการจะลืมตาดูบันทึกที่จดไว้ได้ไหมคะหรือควรไปฝึกท่องช่วงเวลาอื่นให้ชนานาญก่อนคะทำเวลานั้นก็ได้ เวลาที่เรานั่งหกชั่วโมงเราไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็เปิดหนังสือท่องอาการไปก็ได้ถ้าเราจำไม่ได้แต่ที่เราให้จำเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมากังวลกับการเปิดหนังสือดูเพราะบางทีเราทำตอนกลางคืนหรือเรานั่งหลับตาเราไม่ต้องการที่จะรับรู้เรื่องต่างๆที่ผ่านเข้ามาทางตาถ้าเราจำได้เราก็ได้ไม่ต้องใช้ตามาเป็นเครื่องมือใช้ความจาสัญญาเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะมากล่อมใจ ไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งทางเรื่องราวต่างๆถ้าท่องไม่ได้ก็เอาก็เอาไปทางเดียวก่อนก็ได้ผมขนเล็บฟันไประจนถึงน้ำมูดแล้วถ้าถอยหลังกลับมาไม่ได้ก็กลับไปตั้งต้นใหม่ก็ได้พอถึงน้ำมูดแล้วก็กลับไปผมขนเล็บฟันใหม่หรือถ้าอยากจะทําให้มันยากเพราะว่ามันจะทําให้เรามีสติแั่นกระชับมากขึ้นก็หัดท่องถอ่ายถอยหลังดู เปิดหนังสือดูแล้วก็ท่องไปต่อไปมันก็จะได้มันเหมือนสูตรคูณยถ้าเราหมั่นท่องอยู่เรื่อยๆต่อไปมันก็จะฝังอยู่ในใจของเราแล้วเราก็จะสามารถใช้มันเป็นเครื่องมือในการสกัดความคิดปรุงแต่งต่างๆได้คํหถาม ต, ต่อมาค่ะจากคุณพเนจรค่ะหากเราไปแย่งภรรยาคนอื่นมาเป็นของเราแต่ก็สำนึกว่าเป็นบาปจึงขอแยกทาง จากคนที่ไปแย่งเขามาอันนี้ทำถูกไหมครับหรือต้องอยู่กับเขาให้เขาพึ่งพาจนเขาทิ้งเราไปถึงได้สมกับการชดใช้บาปที่ไปแย่งเขามาครับคือเราต้องคิดถึงหักเขาโกเราถ้าภรรยาของเราทุกๆคนอื่นเขามาแย่งไปเราจะรู้สึกอย่างไรให้คิดอย่างนั้นเราไปแย่งภรรยาของคนอื่นเขาก็จะรู้สึกอย่างนั้นเป็นธรรมชาติของคนเรา เวลาสูญเสียสิ่งที่รับไปก็จะต้องเกิดความเสียใจเกิดความโกรธแค้นต่อผู้ที่มาแย่งความสุขนั้นไปก็จะมีการอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกันได้ดังนั้นประโยชน์ที่ได้รับจะไม่คุ้มกับโทษที่จะได้รับได้รับความสุขจากการร่วมหลับนอนกับภรรยาของคนอื่นแต่ต้องมาวิตกกังวลกับสามีของเขาจะมาตามข้าว คำถามต่อมาค่ะจากคุณไตรเมศวาสิกาคำถามแรกในวัยเด็กตอนโยมอายุช่วงประมาณ9ก้ถึงสิขวบมักจะเป็นเด็กที่ชอบนั่งอยู่คนเดียวเงียบๆ บ, บางครั้งนั่งมองดูฝนตกจ้องมองดูเม็ดฝนกระทบน้ําที่ขังอยู่ใจจดจ่ออ ย, อยู่อย่างนั้นและเพียงครู่เดียวความรู้สึกก็มาจับอยู่ที่เสียงอยู่ที่หูคือรับรู้อยู่เพียงที่หูไม่รู้สึก ที่การมองเห็นจนกระทั่งมีความรู้สึกรู้เพียงอย่างเดียวจนกระทั่งมีผู้ใหญ่หรือญาติมาเรียกขยับให้รู้สึกตัวแต่พอนอนหลับในตอนกลางคืนมักจะมีความรู้สึกคล้ายฝันไปคือรู้สึกว่าตัวเองลอยอยู่ในอากาศแต่ไม่มีตัวตนเป็นแต่รู้สึกแต่สามารถมองเห็นรอบๆทั่วไปหมดมองเห็นภูเขาที่อยู่ไกลๆ รู้เห็นในสิ่งแปลกๆ แ, แต่ในขณะนั้นเพียงแต่รู้อย่างเดียวไม่มีความนึกคิดจนกระทั่งรู้สึกตัวตื่นจึงมาคิดสงสัยว่าทําไมความฝันช่างเหมือนจริงติดตาเหมือนเกิดขึ้นจริงและบริเวณที่เห็นก็เป็นบริเวณรอบๆ บ, บ้านเพียงแต่กว้างไกลสุดสายตาแตกต่างว่าการมองเห็นด้วยตาในขณะที่ตื่นอยู่เหตุการณ์เหล่านี้มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆในวัยเด็กค่ะ พอโตก็หายไปกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้นคะเพราะในวัยเด็กไม่มีเรื่องราวที่จะต้องคิดจิตก็เลยว่างก็เลย อ, อยู่ในสภาพที่เคยได้บําเพ็ญมาคือเคยฝึกสมาธิมาเคยทําจิตให้สงบพอไม่มีภารกิจเรื่องราวที่จะต้องคิดตรงแต่งจิตมันก็จะสงบอย่างจิตของพระเจ้าตอนที่เป็นเด็กอายุสิบขวบก็แบบนี้ วันหนึ่งทรงประทับอยู่ตามลำพังอยู่ใต้โคนไม้พวกบริษัทบริวารเขามีภารกิจที่จะต้องไปทำกันเลยปล่อยให้พระองค์อยู่ตามลำพังก็เลยไม่มีใครมาชวนคุยชวนคิดพไม่มีอะไรมาชวนให้คิดจิตก็เลยสงบว่างอย่างที่เล่ามาอันนี้เป็นอ น, นิสงส์ของอของสมาธิที่ได้เจริญมาในอดีตชาติ คนพวกนี้เวลาทําสมาธิจิตจ ะ, จะรวมง่ายจะสงบง่ายแต่พอโตขึ้นมาต้องไปเรียนหนังสือต้องทําการบ้านต้องคิดต้องใช้ความคิดอะไรต่างๆมันก็เลยไม่มีเวลาที่จะเป็นจิตวิเวกเพราะจิตมันต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็เลยไม่ว่างมันก็เลยไม่สงบถ้าอยากสงบก็ลองไปเปริกวิเวกทําตัวเหมือนเด็กสมัยก่อนตอนที่เป็นสมัยก่อนเป็นเด็ก ไปอยู่คนเดียวไม่มีเรื่องมีราวนั่งอยู่ริมสะลิมบึงดูคนเดียวเดี๋ยวมันก็สงบเองหรือจะใช้ดูการลมหายใจไปก็ได้เดี๋ยวรับรองได้ว่าถ้าเป็นแบบนี้จะสงบง่ายจะจะสงบเร็วเนีถ้ามาทางธรรมจะไปได้เร็วคำถามต่อมาค่ะคำถามที่สองค่ะปัจจุบันขณะนี้ยมอายุสี่สิบหกปี มักจะฝันเห็นสิ่งแปลกๆเช่นเห็นวิญญาณหรือสิ่งลี้ลับบางอย่างและหลายอย่างก็เกิดขึ้นจริงตามความฝันนั้นแต่บางครั้งโยมมักจะฝันเห็นครูอาจารย์ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนมาสอนธรรมะและมาเตือนให้ปฏิบัติธรรมเป็นความฝันที่แจ่มชัดและจำได้แม่นยำเหมือนเกิดขึ้นจริงเป็นอยู่อย่างนี้จนโยมต้องพิสูจน์ด้วยการไปตามหาว่ามีพระองค์นั้นอยู่จริงหรือไม่ อย่างเช่นฝันเห็นหลวงปู่เจ้าจุนโทท่านมาเตือนว่าอย่าทิ้งกรรมฐานมาสอนและเตือนสติท่านบอกว่าเราชื่อหลวงปู่เจ้าจุนโทแล้วโยมก็สะดุ้งตื่นจำจำชื่อท่านได้อย่างแม่นยํทาทั้งที่ไม่เคยรู้จักท่านมาก่อนเลยพอตอนเช้าโยมโทรถามเพื่อนว่ามีพระชื่อนี้อยู่หรือไม่และโยมได้ตามไปถึงที่วัด ปรากฏว่าท่านเพิ่งลาสังขารไปแล้วประมาณสองสัปดาห์ขึ้นไปกราบสรีระสังขารท่านบนโบสถ์เห็นรูปถ่ายท่านแล้วโยมน้ำตาร่วงเพราะเป็นองค์เดียวกันกับในความฝันในครั้งนั้นเป็นเหตุให้ได้มีโอกาสไปทำบุญตักบาตรกับกับพระกรรมฐานมากมายที่มาร่วมงานหลังจากนั้น หลังจากงานนั้นก็ฝันว่าได้นำพระาธาตุขึ้นบูชาพอเช้าจึงรีบไปที่วัดก็มีพี่ที่เป็นลูกศิษย์ท่านนำพระาธาตุมามอบให้จึงได้พระธาตุท่านมาบูชาจนบัดนี้และเมื่อประมาณสองเดือนก่อนท่านก็มาชี้แนะเรื่องการปฏิบัติในฝันอีกโยมขอกราบเรียนถามว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นถ้าหากโยมจะพอมี บุญวาสนาอยู่บ้างหรือหากเคยปฏิบัติมาในอดีตชาติเหตุใดจึงเกิดมาเป็นผู้หญิงต้องทุกข์ยากลำบากหาเลี้ยงลูกและครอบครัวทำให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติจนบางครั้งรู้สึกท้อแท้จนน้ำตาร่วงกราบขอความเมตตาครูอาจารย์ด้วยค่ะก็ไม่ควรไปสนใจว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรควรจะสนใจว่าเราจะ ตักตวงประโยชน์จากสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาได้อย่างไรจะดีกว่าท่านมาชวนเราแล้ ว, ลวท่านบอกทางเราแล้ ว, ลวเราควรที่จะขวนขวายทำตามที่ท่านสอนควรที่หาทางออกตัดภารกิจต่างๆที่มีอยู่ให้น้อยลงไปตามลำดับตั้งเป้าหมายว่าตอนนี้ยังติดอยู่แต่จะพยายามเคลียร์ปัญหาต่างๆเคลียร์ภาระความผูกพันต่างๆ ให้เพื่อที่จะได้มีเวลาออกไปบาเพ็ญออกไปปฏิบัติคิดแบบนี้จะได้ประโยชน์กว่าที่จะไปคิดว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรการเกิดนี้มันมีเหตุมีปัจจัยหลากหลายด้วยกันรู้แล้วก็เท่านั้นไม่เป็นประโยชน์อะไรสู้รู้ว่าเราจะทำอย่างไรกับอนาคตของเราจะดีกว่าคำถามจากผู้ฝากถามค่ะคำถามแรกกรรมไม่ดีที่เราทำไว้ในชาตินี้ ไม่จำเป็นต้องส่งผลในชาตินี้แต่อาจจะส่งผลในชาติหน้าก็ได้ใช่ไหมคะกรรมและบุญที่เราทนี้มันก็มีเวลาที่จะปรากฏขึ้นมาช้าเร็วต่างกันกรรมบางชนิดอย่างน้องตาบอกก็ติดจรวดบางอย่างก็เชื่องช้าเพราะฉะนั้นมันไม่แน่นอนเรื่องผลบุญผลบาปจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็อสำคัญก็คือมันเกิดแน่ๆคือว่าช้าหรือเร็วเท่านั้นเอง คําถามค่ะคนที่สติไม่ดีเคยได้ยินมาว่าเป็นผลมาจากชาติที่แล้วกินเหล้ามากใช่หรือเปล่าคะก็มีส่วนเพราะว่าเวลากินเหล้าก็ไม่มีสติไม่ใช่นะสติมันก็เลยไม่ดีคําถามฝากถามจากคุณนัทค่ะหากเราไม่ได้เป็นสงฆ์แต่ได้ละทิ้งกิจกรรมทางโลกแล้วและหมั่นฝึกปฏิบัติเจริญสติอยู่ที่บ้านเมื่อแก่ชารา จะสามารถดูแลตัวเองได้อย่างไรครับก็ดูแลได้จนกว่ามันจะดูแลไม่ได้เท่านั้นแหละถ้าดูแลไม่ได้มันก็ตายถ้าดูแลได้ก็ดูแลไปถ้าดูแลไม่ได้คนอื่นเ็าเมตตาอยากจะช่วยดูแลก็ปล่อยเขาดูแลไปเขาไม่ดูแลก็ตายมันก็เห็นมีปัญหาตรงไหนหมดคำถามแล้วมีใครอยากจะถามไหมอันนี้เปิดโอกาสให้ถามนะ พอปิดใหม่กลับบ้านแล้วก็อย่าเข้ามาถามเพราะจะไม่ตอบแนละ้วตอบอย่างนี้มันเป็นประโยชน์เพราะมีคนฟังเยอะจะได้ประโยชน์ถ้าตอบให้ฟังคนเดียวนี่มันได้ฟังได้ประโยชน์เพียงคนเดียวเลยไม่อยากจะตอบนอกจากเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆอันนี้ก็อาจจะยกเว้นให้แต่ถ้าเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัตินี่ มันเหมือนกันทั้งนั้นแนะ่อะรครับถ้าไม่มีจะนับหนึ่งนับถอยหลังนะหนึ่งสองสามจะได้ปิดประชุมได้น ะ, ะก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติ